7พระโสนาเถรีภิกษุณีผู้เลิศทางปรารบความเพียรอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตะนางเกิดในตระกูลเศรษฐีได้เข้าเฝ้าฟังธรรมและได้เห็นการแต่งตั้งภิกษุณีผู้เลิศทางปรารบความเพียร น, นางจึงได้กระทำสักการ ะ, ระเพื่อปรารถนาตําแหน่งนั้น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 พระพุทธเจ้าทรงสดับแล้วทรงชื่นชมตรัสว่าแท้จริงบุคคลที่ปรารบความเพียรมั่นมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าคนเกียจคร้านละความเพียรแม้เป็นอยู่ตั้งร้อยปีและทรงยกย่องท่านเป็นเลิศแห่งภิกษุณีผู้ปรารบความเพียรแต่อัตถกถาเอกนิบาตว่า นางมีลูกชายและลูกสาวต่อมาลูกๆได้ดูแลกิจการงานส่วนต่างๆในสกุลและไม่มีความเคารพในมารดานางจึงออกบวชวันหนึ่งท่านถูกภิกษุณีทั้งหลายลงทันธกรรมลูกๆมาพบเข้าก็พูดเยาะเย้ยว่าหญิงคนนี้ไม่รู้แม้เพียงสิกขาจนทุกวันนี้ท่านเกิดความสลดใจ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 ใช้มือข้างหนึ่งจับเสาต้นหนึ่งใต้ปราสาทไม่ละจากเสาเมื่ออยู่นอกปราสาทก็เอามือจับต้นไม้ไว้แล้วทำสมณธรรมรอบๆต้นไม้นั้นนับแต่นั้นมาท่านก็ปรากฏชื่อเสียงไปว่าเป็นผู้ปรารบความเพียร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 พวกท่านต้องการอาบน้ําด้วยน้ําร้อนหรือบัดนี้น้ําสุกแล้วท่านยกเอาไปเถิดภิกษุณีเหล่านั้นจุ่มนิ้วลงไปในน้ําก็รู้ว่าร้อนทั้งหมดก็เอะใจว่านางคงบรรลุพระอรหันต์แล้วภิกษุณีที่อ่อนกว่าก็หมอบลงกราบด้วยเบญจางขปดิษขอขมาว่าแม่เจ้าพวกเราไม่ได้พิจารณาจึงกล่าวเสียสีแม่เจ้า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 เพราะเหตุนั้นจึงชาราทุพพลภาพเข้าไปหาภิกษุณีภิกษุณีนั้นแสดงธรรมคือขันธ์อายตนะและธาตุข้าพระเจ้าฟังธรรมนั้นแล้วก็โกนผมบดเข้าพระเจ้านั้นศึกษาอยู่ก็ชำระทิพยจักสุให้บริสุทธิ์ข้าพระเจ้ารู้บทเพนิวาสยานรู้ขันธ์ที่อาศัยอยู่ในชาติก่อนและเจริญอมิตตสมาธิ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 แล้วก็ไปอาศัยอย่างบ้านลูกแต่ละคนอาศัยอยู่ได้สองสามวันก็จะถูกลูกๆกล่กกาวถ้อยคำประชดประชันว่าแม่มาอยู่เรือนเราเหมือนกับแม่ได้สมบัติเราทั้งหมดนะ่นนางได้ยินและสลดใจจึงไปบวชเป็นภิกษุณีได้ชื่อว่าพระหุบุติกาคือผู้มีบุตรมากท่านคิดว่าตนเองบวชตอนแก่ไม่ควรประมาท บำเพ็ญเพียรด้วยการจับเสาและต้นไม้ทำสมณธรร ม, ม, รรมพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วทรงแผ่พระรัศมีไปตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมสูงสุดจบพระคถาท่านบรรลุพระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมพิธาพุทธศาสนาสุภาษิต